เรื่องสันตติมหาอามาตย์พระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารบสันตติมหาอามาตย์ความพิสดารว่าในการละครั้งหนึ่งสันตติมหาอามาตย์ของพระเจ้าประเสริที่โกศลได้ปราบรามฆ่าศึกในชนบทให้สงบแล้วพระราชาทรงพอพระทยัยประทานให้ครองราชสมบัติเจดวัน ประธานนางงามฟ้อนรำและขับร้องให้ปรนิบัติเขาหมึนเมาสุราอยู่เจ็ดวันวันที่เจ็เขาแต่งองค์อลังการทุกอย่างขึ้นคอช้างไปสู่ท่าน้ําเห็นพระศาสดากําลังเสด็จบินถบาทผงกศีรษะถวายบังคมพระบรมศัสดาทรงย้มพระโอษฐ์พระอานนทูลถามว่าเหตุอะไรให้ทรงย้มพระโอษฐ์จึงตรัสว่าอานนท์ เธอจงดูสันตติอมาตในวันนี้เขาจกมาสู่เราและบรรลุอรหัตในเวลาที่จบคาถาด้วยบทสี่เหาะขึ้นไปบนอากาศสูงชั่วเจ็ดลำตาลปรินิพานบรรดามาหาชนต่างคิดว่าจะเป็นไปได้อย่างไรที่สันตติอมาตผู้เมาสุราฟังธรรมและจักปรินิพานแต่บรรดาพวกสัมมาทิฏฐิก็คิดว่าน่าอัศจรย์จริง เราทั้งหลายจักดูการเยื้องกลายของพระพุทธเจ้าและสันตติอัมมาตส่วนสันตติมหาออัมมัดเล่นน้ำตลอดทั้งวันที่ท่าอาบน้ำแล้วไปสู่อุทยานฝ่ายหญิงฟ้อนเริ่มฟ้อนและขับนางแสดงอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งวันลมพิษเกิดขึ้นแล้วในช่องท้องตัดก้อนเนื้อหัไทยเพราะเหตุมีอาหารน้อยถึงเจวันเพื่อแสดงความอ่อนแอนแห่งสรีระ คือตั้งใจอดอาหารเพราะกลัวอ้วนทันใดนั้นนางก็กระทากาละตายแล้วสันตติมาหาอ ม, มาโศกเศร้าเสียใจเพราะเหตุที่นางฟอนตายถูกความโศกอย่างแรงกล้าครอบงำจึงไปสู่สำนักพระสัสดาเพื่อดับโศกลำดับนั้นพระสัสดาทรงตรัสว่าท่านมาสู่สำนักของผู้สามารถดับโศกได้แน่นอน แต่อันที่จริงน้ำตาที่ไหลออกของคนที่ร้องไห้ในเวลาที่หญิงนี้ตายด้วยเหตุนี้นั่นแหละมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาว่ากิเลสเครื่องกังวลใดมีอยู่ในการก่อนเธอจงย่างกิเลสเครื่องกังวลนั้นให้เหือดแห้งไปกิเลสเครื่องกังวลจงอย่ามีแก่เธอในภายหลังถ้าเธอจักไม่ยึดถือขันในท่ามกลาง จะเป็นผู้สงบระ ง, งับเที่ยวไปในการจบเทศนาสัน ต, ติมหาอามาตบรรลุระอรหัตแล้วพิจารณาดูอายุสังขารของตนทราบความเป็นไปไม่ได้ของอายุสังขารคือรู้ว่าอายุสิ้นแล้วจึงกราบทูลพระสัสดาขออนุ ญ, ญาตปรินิพานพระสัสดาแม้ทรงทราบกรรมที่เธอทำแล้วจึงตรัสว่า ถ้ากระนั้นเธอจงบอกกรรมที่เธอทำไว้แล้าแก่เราก็เมื่อจะบอกจงยืนบนอากาศชั่วเจ็ดลำตาลแล้วจึงบอกสัน ต, ติมหามาตแสดงอิทธิฤทธิ์บนอากาศชั่วเจ็ดลำตาลแล้วลงมาถวายบังคมพระศาสดาถึงบุรพากรรมของตนดังนี้บุรพากรรมของสัน ต, ติมหามาตในกับที่91แต่กับนี้ ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามวิปัสสีข้าพระองค์เกิดในตระกูลหนึ่งในนครพันธุมาดีได้ทำการเป่าร้องชักชวนมหาชนทําบุญให้ทานรักษาอุโบสถศีลฟังธรรมผลของกรรมนั้นพระราชาพันธุมะผู้เป็นพุทธบิดาทรงสดับแล้วรับสั่งให้เรียกมาเฝ้าแล้วตรัสถามทรงทราบแล้วจึงให้ประดับดอกไม้นั่งบนหลังม้าเที่ยวประกาศเป่าร้องต่อไปเถิด แม้ต่อมาพระราชาก็รับสั่งให้ข้าพระองค์เที่ยวประกาศอยู่อย่างนั้นนั่นและต่อมาพระราชาทรงพระราชทานรถนั่งประกาศเที่ยวไปอีกพระราชทานรถเทียมม้าสินทบสีพระราชทานโภคะเป็นอันมากและเครื่องประดับใหญ่ทั้งพระราชทานช้างเชือกหนึ่งประดับอาพรทุกอย่างนั่งบนคอช้างเป่าร้องธรรมะสิ้นแปดหมื่นปีกลิ่นจันกลิ่นอุบล พุ่งออกจากปากและกายของข้าพระองค์ตลอดกาลมีประมาณเท่านี้นี้เป็นกรรมที่ข้าพระองค์ได้ทำแล้วสัน ต, ติมหามาตครันทูลบุรพาก ร, รมของตนแล้วนั่งบนอากาศเข้าเตโชธาตปริณิพานเปลวไฟเกิดขึ้นในสรีระไมเนื้และโลหิตธาตุทั้งหลายดุจ ด, ดอกมะลิเหลืออยู่แล้วคือเหลือธาตุทั้งหลายดุจ ด, ดอกมะลิ พระศาสดาทรงคลี่ผ้าขาวท่าทั้งหลายก็ตกลงบนผ้าขาวนั้นทรงบรรจุท่าดแล้วสร้างสถูปไว้ที่ทางใหญ่สีแพร่งด้วยพระประสงค์ว่ามหาชนไหว้แล้วจะเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเรียกบุตรของเราแม้ว่าสมณะก็ควรเรียกว่าพราหมณ์ก็ควรเหมือนกัน ซึงตรัสเป็นพระคาถาว่าแม้ถ้าบุคคลสดับแล้วพึงประพฤติสม่ำเสมอเป็นผู้สงบยึดแล้วเที่ยงธรรมมีปกติประพฤติประเสริฐวางเสียซึ่งอาชญาในศาสทุกจำพวกบุคคลนั้นเป็นพรามเป็นสมณนะเป็นภิกษุพระพุทธเจ้าท่านมักจะนำคำที่ละที่อื่นใช้เรียกและสอนกัน มาอธิบายในแง่พระพุทธศาสนานะครับอย่างเช่นคำว่าพรามที่แปลว่าผู้ลอยบาบนั้นการจะลอยบาปได้จริงก็ต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นผู้เป็นพระอรหรันตัดสังสารวัฏได้แล้วท่านจึงเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นพรามอธิบายชื่อว่าเป็นผู้สงบเพราะความสงบระงับแห่งราคะโทสะโมหะชื่อว่าเป็นผู้ยึด รายึดอินทรีย์คือตาหูเป็นต้นชื่อว่าเป็นผู้เที่ยงเพราะเที่ยงในมรรคทั้งสี่คือตั้งแต่โสดาจนถึงอรหันต์คำว่าไม่ยึดถือขันในท่ามกลางหมายถึงไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีอุปาปทานขันในสังขารทั้งหลายอันได้แก่ร่างกายและจิตใจไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่เราของเรา เมื่อไม่ยึดก็วางวางแล้วก็ว่างก็พ้นก็เหนือขันเป็นขันทวิมุต